สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมจัดเลเวอรีนะครับวันนี้ตรงกับวันที่13เมษายนซึ่งเป็นวันปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ของเราเองครับครับผมจะทุกคนชมนิดครับและพระมหาสมปองนั่งอยู่กับผมแล้วครับมัสการครับท่านครับทีรื่อพรื่องพปีใหม่ไทยจ้ะครับผมขอบพระคุณครับท่านคือในวันปีใหม่ของเรานี้ผู้สานิกรชนส่วนใหญ่เลยก็คือจะต้องไปทําบุญตักบาตรแล้วก็ส่งน้ําพระกันใช่ไหมครับ จะเดินทอนเมื่ อ, อกีเ้เห็นอาจารย์พูดถึงบอกสมัยก่อนคสนส่งน้าําพระ น, น้าพระเนนจะเรียกว่าสมัยนี้เนี่ยคนไม่ค่อยส่งน้าพระแล้วหรือเปล่าสมัยนี้ก็มีทีสง่งบ้างรครับท่านแต่ว่าไปตามห้างสรรพสินค้าบ้านนะหรือไปมันจะเรียกว่าส่งไหมเนี่ยตามแถวถนนข้าวสาปร ป, ปาลนะ ป, ะ, ปะแป้งสาวๆอะไรบ้าน้ำสาวๆปะแป้งสาวๆแต่ตอนนั้นเขาห้ามปะแป้งแล้วนะแล้วอาจารย์ตุ้ยพลนี้ได้ไปวัดบ่อยไหมไปครับ ก็เกือบใหญ่ก็ไปไหว้พระผมนี่ถูกกับพระนะครับถูกแสดงว่าไม่ได้กลัววัดไม่ได้กลัวการก็ร้อนๆอนนิดหน่อยครับเพ่าะว่าจากร่างนิดมอนหน้าร้อนนะฮะพอดีเจอพระท่านก็ปักมือเรียกนะครับบอกมาสมัมโยมในแหม่ก็ไปมัสการรู้สึกยังไงบ้างเวลาเข้าวัดเข้าวัดดีครับก็บัญชีไปฟังธทำเพราะคือท่านก็สอนสอนทำมาบ้านอยู่ใกล้วัดหรือเปล่า บ้านทุกไม่ใกล้ครับก็พอสมควรนะครับใกล้สุดคือวัดบึงทองหลางอ๋อคือบางคนเนี่ยตำมักคงศิลปว่าบ้านอยู่ติดวัดแท้ๆนะแต่ทําตัวห่างวัดห่างว่าบางคนศิลห้ายังไม่รู้จักเลยท่องก็ท่องไม่ถูกหรือบางคนท่องถูกแต่ก็ไม่เข้าใจความหมายคงศิลหะเลยครับเจริญพรเอ๊ศิลหะยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเจริญพรโอ้ย่างนี้ลองไปฟังกันดูไหมครับว่าจะทํำยังไงให้รู้กันบ้างว่าศิลหะเป็นยังไงบ้างเจริญพรได้ครับท่านครับเช่นครับ ใจให้อะไรทุกแผ่นดินทองพากายสุขไม่ทุกข์เข็นแผ่นดินเพชรมีความเด็ดคือร่มเย็นเพราะว่าเป็นแผ่นดินไทยไม่อะไรทำขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอการะวิยากรจเจริญพรสาธุชนทุกท่านขอจเจริญพรจ้ะสาธุเลยนมันส ก, การก็ได้สาธุก็ได้นะเดีย๋ยวนี้เราจะพังเทศจริงๆก็ต้อง รับยังไงก่อนเดี๋ยวต่อไปจะให้รับเราต้องรับอะไรก่อนรับศีลก่อนอยากได้ไหมศีลอยากได้ไหมอัตมามีศีลเยอะสองรอยี่สิบเจ็ดข้อได้แบ่งให้หาข้อเหลือตั้งสองรอยิบสองข้อไม่เป็นไรแม้ศีลแบ่งแล้วมีแต่งอกเลยไม่มีลดข้างหลังยังได้ศีลไม่เอ่ยหน้าตาไม่ค่อยอยากจะรับศีลเลยรับไปแล้ววิญญาณจะน้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองรับศีลกันหน่อยดีไหมป้าปัญญาอ้าวแล้วก็ลูกค้านพนมมือเทินเดี๋ยวขอศีลความกันการขอศีลนะ ถ้าเป็นหนุ่มๆสาวๆหรือว่าคนธรรมดาเขาจะขอสินห้าเขาจะชอบมีที่เราจําได้คืออะไรเวลาเราจำมีอื่นไม่ได้เราจําได้คืออะไรวิซุ่งวิสุ่งจำได้เดียวเลยองคคนมายังมาเตงองมายังพันเตวิซุ่งวิสุ่งรักขณท่ายติศาเนนสหปัญจศีลานิยาจามะทราบความหมายไหมเป็นภาษาบาลีเราไม่ทราบพันเตท่านผู้เจริญโอ้โหยกย่องพระเรียกท่านผู้เจริญไม่ยังท้าพระเจ้าทั้งหลายพวกเราทั้งหลาย ยาจามะขอปัญจากศีลานิสินสห้าสหะพร้อมกับติสระณะการรับไตรสรณะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่เราลึกถึงวิสุงวิสุงแปลว่าแยกกันแยกกันคือรับเป็นข้อข้อศีลห้าข้อรับเป็นข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าผิดหนึ่งข้อเหลือกี่ข้อผิดสองข้อเหลือผิดสามข้อเหลือนี่วิสุงวิสุงมีประโยชน์อย่างนี้ แต่ถ้าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปวัดเขาจะมั่นใจมากเขาจะไม่มีวิสุงวิสุงเลยเขาจะมายังพันเตติสารเนนาสหะข้ามวิสุงไปเลยจะปันจากหรืออัฏฐศีลาก็ว่าไปสินห้าหรือสินแปดหมายความว่าเขารับสินเป็นเซตเลยเป็นแพ็คเก็ตเลยผิดหนึ่งข้อหายไปทั้งยวงเลยวันนี้เราจะรับแบบแพ็กเก็ตหรือว่ารับเป็นข้อๆดีแหมรีบตอบมาเลยเป็นข้อๆดีกว่ามีวิสุงไว้สบายใจผิดหนึ่งข้ออย่างไงทั้งสี่ข้อเพราะบางคนเย็นนี้จะไปฉลองแล้ว ๋ยวคุณย่าคุณยายนี่ก็วิสุงเหมือนกันเนาะไปกันลูกกันหลานอ่ะขอศีลพร้อมกันทุติยมปีแม่กลางที่สองปวาหมายนะ อติยัมปีแม้ครั้งที่สามเราขอสาม ร, บามารมอบเราขอพระเราอยากได้ศีลมากเราขอสามรอบแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าก็ขอศีลห้าข้อตักรับใจสาธารภพอีกแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าก็ขออีกพระก็ใจอ่อนก็เลยจะให้เห็นโยมอยากได้เมื่อพระจะให้เราต้องตั้งใจสมาทานสมาทานคือการน้อมรับเพื่อนําไปปฏิบัติอาราธนาคือขอศีล พระให้เราสมาทานคือการนอมรับเพื่อนําไปปฏิบัติตั้งใจนะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ แปลว่าข้าพระเจ้าขอมอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้จักสรู้เองโดยชอบผู้ไกลจากกิเลสนี่คือความหมายตั้งใจรับไตรสัพณะนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงอย่าไปยึดถือวัตถุเป็นที่พึ่งอย่าไปยึดถือเงินทองอย่างเดียวเป็นที่พึ่งเราต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตั้งใจว่าตามทีและลำดับนะ พุทธังสระนังคชามิทำมังสระนังคาชามิสังขังสระนังคาชามิทุติยามปิพุทธังสระนังคชามิทุติยามปีทำมังสระนังคชามิ สุติยมปีสังคังสระนังคะชามิตติยมปีพุทธังสระนังคะชามิตติยมปีธรามังสระนังคะชามิตติยมปีสังคังสระนังคะชามิ ติสรณคมมังนิจจิตังอามะพันเถนะบางคนไม่ทราบความหมายติสรณะคามนณังนิจติตังแปลว่าการรับไตรสรณะจบแล้วพวกเราก็รับรู้ด้วยการบอกว่าครับผมเจ้าค่ะก็คืออามะพันเทนั่นเองซึ่งทุกท่านได้ว่าไปต่อไปตั้งใจรับสิน5ห้านะปานาติปาตาเวรามณีสิกขปะทงสมาทิยามิ อาธินาธานาเวระมณีศิษย์หาปัทหังสมาทิยาเมสกามสุมิชาจาราเวระมณีศิกข์าปทหสมาทิยาเมสกสุมิชาจาา โมสาวาทาเวรามณีส ok ิกขาปัทถงสัมมาทิยามิสุรามระยะมมะจัปมาทธานาเวรามณีสิกขาปทถงสมาธิยามิสุรามระยัมมะจัปมาปัทฐาน อ่า น, น้อมศีรษะลงเล็กน้อยค้างไว้นะอาตมาจะสรุปสิ่ให้ฟังว่าเรารับสิ่งห้าไปแล้วมีประโยชน์อย่างไรทําไมเราต้องรับสิ่งห้ามีอ น, นิสงส์อย่างไรบ้างอิมานิปันจะศิขาปทานิศีเลนะสุขติงยญาติศีเลนะโหขะสัมปทาศิเลนะนิพุติงยญาติตัมสมะศิลังวิโสท่าเย อ่ามาทีรับสี่ไม่กี่ข้ อ, อสี่ห้าข้อบ่งบอกถึงความเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็ต์โยมเอามือลงได้นะสบายสบายแสดงว่าข้อหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์ป็นโยมยี่สิบเปอร์ซ็นเลยเราร้อยเปอร์เซนต์ถ้าขาดไปหนึ่งข้อเราเหลือความเป็นมนุษย์กี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบขาดไปสองข้อขาดหมดเลยไม่เหลือความเป็นมนุษย์เลยเขาบอกสูงกวสัต์เรียกว่าเรียกว่าอะไรสูงกวสัตว์เรียกว่าคนสูงกว่าคนคือ มนุษย์ถูกต้องถามเป็นความรู้นิดหน่อยเดี๋ยวจะมีของรางวัลแจกต้องแจกทุกที่เลยไปที่ไหนนะแหมไม่อยากตอบรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งเป็นบัตรอาบน้ําที่ฟราร์มตุลเช่นะวันนี้ให้ติดไปเลยเบื่อพาคุณแหม่คุณย่าคุณยายไปได้วยลูกหลานๆหรือจะเอาได้สายศีลโอ้โหเจอพระต้องขอของขังใช่ไหมบางคนออกเสียงไม่ชัดด้วยบงคนเจอพระหลวงพี่ขอของขังหน่อยโหถ้าของขังไม่ต้องออกกับพระไปเอาที่สอนอไปได้แล้วสถานีตำรวจนี่คุกกรางเยอะแยะมากมายเลยแหมของของขังคนเราชอบขอเลือกถามเลือกถามอย่างนี้คุณผู้ชม คนเราเจอผาได้ไม่ได้เลยบางคนเนี่ยมีคนหนึ่งสร้างบ้านเสร็จไปถามหลวงตาหลวงตาถามหนูสร้างบ้านเสร็จแล้วหนูจะขึ้นได้เมื่อไหร่คะหลวงตาบอกอ่ะเราสร้างบันไดเสร็จหรือยังอ๋อบันไดก็สร้างเสร็จแล้วค่ะอ่ะถ้าสร้างเสร็จแล้วขึ้นเลยเออถ้าสร้างบันไดเสร็จแล้วก็ขึ้นบ้านได้เล ย, เลยไม่ต้องไปถามเลิกถามอย่างบางคนจะออกรถตั้งทีโอ้โหเก้าโมงเก้านาทีเก้าวินาทีขี่ไปเก้าเสาไฟฟ้าชนเปลี่ยงเล้มีคนคนหนึ่งคุณเพชรยุภาเขียนหนังสือไม่ธรรมดาของอาจารย์เฉลิมใส ไปเจมรถถึงภาคใต้เนี่ยโอ้โหพระขังมากหลวงพ่อก็เจมหน้ารถให้อย่างดีขับรถกลับกรุงเทพยังไม่ถึงกรุงเทพเลยตอ น, นท้ายเปรี้ยงท้ายยับเลยโ h o ไปหาหลวงตาหลวงตาทาเออหลวงตาเจอเป็ไงครับเนี่ยหนูยังไม่ถึงกรุงเทพเลยท้ายรถหนูยับหมดเลยโอ้เลยโยมแล้ ว, รรไปไลวปลเป็นไงเนาะพระสงฆ์เป็นไงเจ้าท้ายยับหมดเลยแล้วข้างหน้าเป็นไงบ้างข้างหน้าก็โอเคกับปกติดีโอ้ยโทษทีนะโยมอาตมาลืมเจิมท้ายลุงนี้น่าจะให้หลวงพ่อเจิมให้รอบเปรถเตยเลยจะได้ปลอดภัย ถามเลิกถามยามแต่ล่าสุดในชอบถามอะไรคนเราเจอพระทอดถามอะไรซึ่งพระไม่เคยรู้เลยพี่แกขอหวยหน่อยละถามจริงพระจะรู้ไหมคุณโยมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพระจะรู้ไหมหัววดหน้าออกอะไรพระจะรู้ไหมไม่รู้ถ้าเกิดอาตมารู้บอกพ่อบอกแม่ขายนาไปซื้อหวยเลยเนี่ยพระเนรู้นะพระบอกเนเนรบอกพระพระบอกเนเนรบอกพระซื้อกันรวยข่าวัดเลยเราไม่รู้หรอกหวยวัดหน้าจะออกอะไรนี่ไม่มีใครรู้เลยนะคุณโยมนะฉะนั้นนี่ยอย่ามาถามพระเราไม่รู้หรอกนะ นะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องอยู่ที่ตัวเราความดีความสุขอยู่ที่ใครพะ ย, ยมอยู่ที่ตัวเราแต่จริงๆอัตมาเนี่ก็บอกหน่อยแม่แแต่อาจารย์ของอัตมาเนี่บอกแม่เพราะไงนะเพราะอัตมาเนี่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเกลี้ยงนะอยู่วัดเขากินเรียมไปซื้อใ้าชีวิตจะได้มีความสุขความเจริญสะดวกสบายมันต้องเหนื่อยเพราะงานหลวงพ่อพุทธทาสบอกไว้สวนโมกเนี่เพิ่งไปมาสามสี่วันหนึ่ง ย, ยากเหงื่อทุกหยดคือน้ำมนต์เหนื่อของคนนี่คือน้ำมนต์นะ ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อนักความจริงจังความการทํางานอย่างหนักเป็นน้ำมวลของเราต้องเป็นอย่างนั้นคุณโยมเอาล่ะถามให้ความรู้หน่อยเมื่อน้นเมื่อกี้รับสินห้าข้อรักษารมาได้กี่อย่างสินห้าข้อรักษารมาได้กี่อย่างคุณโยมมีช้อยให้เลือกแล้วกันบางคนงงแหมปลาหมามายก็ถามปัญหาเลยหนึ่งข้ไก่ละกันสองอย่างขอไข่สามอย่างข้อไฟกี่อย่างงงงูห้าอย่างอ้าวใครคิดว่าก้ไก่สองอย่างยกมือขึ้ไม่มีใครยกเลยมีแค่สี่ช้อยนะเลือกนะนะ ขอไทยสามอย่างเอาสี่ห้าข้อรักษาเราได้สามอย่างยกมือขึ้นยังไม่กล้าเสี่ยง <c oughs> พูดๆเราเนี่ยต้องสาสามให้ก่อนในกุญยมพราพูดประถามประสงค์นึกอะไร <c oughs> ไม่ออกสามให้ก่อนเลยศ <c oughs> ี่ห้าข้อรักษาเราได้สี่อย่างเอายกมือขึ้นก็ยังไม่มีใครยกเอาข้อสุดท้ายแล้วมายกก็ต้องยกแล้วนะไม่งั้นท่าเหนื่อยแย่เลยศี่ห้าข้อทฤษฎีง่ายๆเมื่อมีห้าข้อต้องรักษาเราได้ห้าอย่างายกมือขึ้น มันยกก็ต้องยกแลล่ะพอ่อคุณยายแล้วยากคุณยายต้องลงทนนนุนเลยนะต้องยกหน่อยห้าอย่างเป็นคําตอบที่ถูกหรือผิดคุณโยมผิดนะคุณโยมนะเราไม่ได้บัตรอาบน้ําที่ความจราเข้เลยสี่ห้าข้อรักษาเราได้แค่สองอย่างเท่านั้นคุณโยมไม่ได้ห้าอย่างนะสองอย่างคืออะไรบ้างกายกับกายกับใจใจเป็นคําตอบที่ดูปากดูปากผิดเช่นเดียวกันกายกับวา จะเสียเป็นยารักษาภายนอกห้ามรับประทานนะดูแลกายวาจาให้เรียบร้อยถ้ารักษาใจใช้อะไรใช่ความรักโอ้โห <laughs> ตอบเซอร์โรมเบนติกเลยความรักก็เป็นความสุขแบบร้อนๆอีกช่วงโปรโมชั่นเหมือนอาจารย์ท่านนึ่งว่าไปแม่คนรักกันใหม่แล้วคุณยายโอ้ตอนแรกเนี่ย น, น้องไม่ต้องพี่ออกให้กินข้าวพี่ออกให้ขึ้นรถพี่เปิดประตูให้ช่วงโปรโมชั่นหมดช่วงหมดช่วงโปรโมชั่นปจ่ายเองจ่ายเอง กินเองจเองมีมือไม่เปิดว่าเป็นให้เป็นตั้งไงอะไรหมดช่วงโปรโมชั่นแล้วนาศิลห์ห้าลักษา ไ, ได้สองอย่างกายกับบาจาแต่บางคนชอบไปแปลงนะแปลงก็แปลงไม่สร้างสรรค์ด้วยบางคนเนี่ไปแปลงอะไรข้อหนึ่งเขาเรียกอะไรนะปานาเขห้ามฆ่าสัตวใช่ไหมบางคนแปลงใหม่ปานาห้ามฆ่าสัตว์แต่ถ้าฆ่ามาวัดก็ไม่เป็นไรนู่อาทินนาก็ห้ามลักทรัพย์แต่ถ้าเขาหลับเราก็หยิบเอาไปการมีเขห้ามมีชู้แต่ถ้าเขาไม่อยู่เราก็เป็นกี๊กันเป็นกีกันได้เปล่าเนี่ยไม่มีนะ มุสาก็ห้ามพูดโดแต่ถ้าเราตดแล้วบอกว่าเปล่าเป็นความซวยของคนด้านทางเลยสุราก็ห้ามดื่มเหล้าแต่ถ้าไปเมาเอาอีกสองขวดเ <c oughs> มาแอกเมาแอนเลยคนเมานี่น่ารักไหม <c oughs> ไม่น่ารักเลยยิ่งถ้าเมาแล้วขับด้วยยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยฉะนั้น ใ, นใครฟังอยู่เนี่ยห้ามเมาแล้วขับนะแต่ที่จริงคุณโยมลองมองแง่บวกเขาเรียกโพซิทีฟติ้งติงรู้แปลว่าอะไรเหมือนกันคิดในแง่บวกมองในแง่บวกคนเมาถ้าไม่ขับก็น่ารักนะนายแพทย์คงศักดิ์ชอบเล่าบ่อยคนเมาน่ารักมีคนเมาคนหนึ่งคุณโยม เมาแบบว่าเดินออกมาจะกลับบ้านแต่แกก็น่ารักไม่รับเห็นคนนึงใส่เสื้อสีกากีอยู่เรียกเลยน้องน้องเรียกรถแท็กซี่พี่คันนึงคนนั้นก็ขอโทษทีครับพี่พอดีผมไม่ใช่ยามครับพอดีผมเป็นทหารเรือครับอ๋อแล้วน้องน้องเป็นทหารเรืองั้นน้องโบกเรือพี่ลำหนึ่งก็อยากจะให้โบกเรือให้อีกคุณโยมเลยสิแสดงแกเมาจริงๆเนี่ยอีกคนหนึ่งเมาแอเมาแอนออกมาเลยเจอแท็กซี่หลับอยู่แท็กซี่แท็กไปสองพี่อนุสาวรีย์ชัยหน่อยแทีกซี่กพี่ครับนี่มันก็อนุสาวรีย์ชัยแล้วนะพี่ อย่ามาเที่ยงพี่สิไปส่งพี่ทุกขาสวีเจยพี่จะไม่เมาปิดเปิดประตูปั๊บปิดประตูตั้งหลักปุ๊บเลยแท็กซี่งงก็นี่มาโนสาวีชัย์เราจะไปส่งยัง ไ, งไงเนี่ยแกเลยทำยังไงดีอ่ะเอาเอ ล, ล่นกับแกเลยแล้วกันขับรถวนรอบหนึ่งวุบแล้วแกก็ไปจอดที่เดิมแล้วก็ปลุกพี่ครับถึงนุงสาวีชัยแล้วครับคนหมาตกใจตื่นมาอ้อาวแล้วโอ้ถึงแล้วจะเอาไปเลยน้องสองร้อเอาไปเลยครับพี่ร้อยเดียวก็พอครับเพราะแกขับวนแค่รอบเดียวเองนะเะไปไปเลยน้องสองร้อยไปเลยน้องเนี่ยขับรถนิ่มมากพี่เน้หลับมาตลอดทางเลย ขับมาตลอดทางเลยบนแค่รอบเดียวเองแต่ขอเตือนไม่เนี่ยน้องนเะกเมาอย่างเตือนพวกเนี่ยนะแต่ขอเตือนไม่เนี่ยน้องนะที่หลังน้องจะขับรถเร็วกันไป น, นี่เผื่อแ ป, ป๊บเดียวถึงแล้วเผือแ ป, ป๊บเดียวอะไรปแ ป, ป๊บเดียวเองอีกคนนึงเมาคนยมผู้ชายเนี่ยผู้หญิงเราไม่ให้เมาแล้วนะเดินกลับบ้านเซ่ล้มในไปเจอหลักศินย์ต้ว่าเป็นหนุมฝังศพมั้งเขาเขียนไว้ประจวบยี่สิบเดี๋ยวโอ้ตายแล้วเนี่ยใครเนี่ยคุณประจวบตายแล้วอายุเพิ่งยี่สิบเองตายซะแล้วอายุยังน้อยอยู่เลยดูนึกว่าหลักศินยเป็นหนุมฝังศ อีกคนนึ่งเมาแล้วชอบอ้วกนะแต่ก็ไม่ขับหน้าน้ารักเลยนะออมาอ้วกปุ๊บโอ้โหเนื้อปลาเมื่อวานเพิ่งกินไปสัปดาหนึ่งอ้วกอีกปุ๊บโอ้โหเนื้ อ, อย่างเกาหลีกินไปเมื่อวานตอนเย็นสัตพังนึงมีหมาตัวเล็กๆคนโยมชอบมากินแบบอ้วกที่คนเมาชอบอ้วกพออ้วกปั๊บรถหมาปุ๊บตัวเล็กๆแกยืนมองตัวนี้กูกินไฟกินข้าวจังเมืไรเนี่ยยังคิดว่าแกกินเข้าไปนะเนี่ยก็แสดงว่าคนเราเนี่ยชอบไปหาความสุขนอกตัวจะไม่คนโยม ระับนักการถามพระอาจารย์ครับวันนี้พระอาจารย์ไปบรรยายธรรมะเรื่องอะไรมาครับเรื่องใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขอาจารย์เช่น อ, อาจารย์เชนคิดว่าคนเราเนี่ยจะมีความสุขได้ยังไงบ้างอาจารย์แหมมันก็ขึ้นอยู่กับคนนะครับว่าเขาอยากได้อะไรเขาบอกอยากได้อะไรแล้วได้สิ่งนั้นก็สุขมไม่อยากได้อะไรมันไม่ได้มันก็สุขความสุขบางคนเราก็แบ่งเปหลายอย่างอาจารย์บา<ฆ>งคนมีความสุขจากการกิน กินแล้วมีความสุข อ, อ, อะไรมอย่างเใช่ใชเราจะสังเกตคนเวลาคนชานข้าวเนี่ยาจะมีความสุขนะครับผมนกเว้นว่าสั่งนานแล้นไม่มาเนี่ยอาจจะมีความทุกข์หน่อยแต่กินนี่จะมีความสุขบางคนมีความสุขกับการได้ไปท่องเที่ยวครับบางคนมีความสุขกับการได้ทำงานทำธุรกิจจนบางทีลืมครอบครัวไปเลยก็มีมามงานที่ต้องระวังเหมือนกันใช่ทั้นความสุขของเราบางคนมีเงิน10ล้านร้อยล้านถึงจะมีความสุขแต่บางคนมีเงิน10บล้านร้อยล้านแล้วก็ไม่มีความสุขไม่มีความสุขก็มีกลับกลายเป็นความทุกข์แทนเพราะว่ามีสิบ ก็เลยกลายเป็นมีความสุขเออใช่ฮะทุกคนอยากมีเงินแต่มีกับไม่สุขเอ๊ะแล้วความสุขมันมาจากไหนกันแน่เราจะมีความสุขได้อย่างไรความสุขคืออะไรถ้าอยากรู้ชมกันในช่วงนี้ได้เลยครับความสุขอยู่ที่ไหนคุณโยมตอนนี้คุณโยมมีความสุขไหมคุณโยมจะมีความสุขเมื่อไหร่อาทิตย์หน้าดีไหมบางคนบอกขอให้ท่านบรรยายจบก่อนแล้วหนูจะมีความสุขแต่โยมจะมีความสุขมากเลยถ้าท่านบรรยายจบเอวังก็มีเทศการชะนีอะไรเงี้ย บางคนชอบฟังธรรมะแล้วชอบหลับใช่ไหมหลวงพ่ออาจจะเทศดีเนะี่ยอาตมาจะเทศดีกันไปมีหลวงพ่อท่านหนึ่งแหมก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เท่าก็มีชุนฉุนบ้างเนาะเทศไปครึ่งชงั่วโมงโยมหลับไปครึ่งสล า, าเทศไปอีกครึ่งชงั่วโมงหนึ่งชงั่วโมงหลับไปอีกหมดสล า, าโอ้โหหลวงพ่อชุนอุตสาเตรียมทำมากพระเจ้ามาให้ดีๆแล้วโยมยังหลับหลวงพ่อก็เลยแบบประชดนิดนึงโยมที่มาฟังธรรมะในวันนี้ควายทั้งนั้น แล้วก็ตกไมโป้องเลยโยมตกใจตื่นขึ้นมาหลวงพ่อเอวังก็มีด้วยประการชนีโยมตกใจตื่นขึ้นมาสาธุตัวหลวงพ่อได้ไม่รู้ตัวอีกเพปม๋มีตลับหลับๆเนี่ยธรรมะของหลวงพ่อของพระเจ้ามันดีอยู่แล้วแต่บางทีอาจจะฟังแล้วสบายใจมากเกินไปหน่อยอะเราเรื่อง เ, าเราเข้าวัดเราเจออะไรบ้างคุณโยมบางคนไปถวายสังฆท า, านวัยรุนร่นนี่ลูกหลานเราในพูดไม่ค่อยเป็นนะคุณโยมถ้าคุณยายได้พูดได้อิมานิมายังพปฏตครองไหม ลองลูกหลานบางคนฟังไม่ถนัดเป็นจำคุณย่าคุณยายมาอิมาณิมะยังพันเตพั ต, ตานิสัพพะริวาลานิพิคุสังโฆอันนี้ถูกบางคนอิมาณิสัพพะริวาลานิพิ ข, ขุสังโฆฟังพิกขุเป็นคิกุเลยจะแปลว่าอะไรคิกุสังโฆเลยนะอ๋อสังโฆเนี่ยแปลว่าสงคิกุแปลว่าน่ารักอ๋อคิกุสังโฆแปลว่าถวายแด่ท้าปิสุสงผู้น่ารัก โอ้โหหล ง, ลงตาหล ง, ล ง, ลงน้าหลงเนนได้ยินอย่างนี้พูดยืดเลยอยากจะเป็นภิกษุภูน่าแล้วพนมมือรีบเตรียมสาธุเลยบางคนพูดผิดพูดถูกพูดไม่ค่อยเป็นเนี่ยที่เล่าค้างไว้อาจารย์พยมชอบเล่าจำอาจารย์พยมได้ไหมจำเรื่องนี้ได้ไหมเลยเคุณยายพาหลานไปทําบุญนั่งอยู่บนศาลานึกภาพนะบนศาลาคนเต็มสมัยก่อนสบายใจคนยอมสมัยนี้หายไปสมัยก่อนบนศาลาจะเป็นที่รวมปู่ย่าตายายหนุ่มสาวแต่ก่อนไปจีบกันก็ไปจีบบนศาลาวัดนี่แหละ ปู่ย่าจะได้ช่วยดูผู้ชายคนนี้เป็นยังไงธรรมะตามโอไหมคุณผู้หญิงคนนี้มีเบญจ ก, กัลยาณีสวยงามไหมคุณปู่คุณย่ากุตาคุณยายช่วยดูเด็กๆลูกเล็กๆเนี่เห็นคุณย่าคุณยายไหว้พระ ก, ก็ไหว้ตามมีเด็กตัวเล็กๆประมาณสามสี่ขวบไปกับคุณยายพระทําพิธีนานกลิ่นหอมประทูมันโชยเข้าจมูกจับแขนยายยายเขย่ายายยายอยากกินปะทูอืมไม่ได้หรอกลูกให้พระเขาทำพิธีก่อน นะไม่ได้อืนั่งไปตาพัฒน์ยาหยยิวข้าวกว่าท้องมากเลยอยากกินปลาทูเออใจเย็นๆสิสักพักนึงใหพักฉันทนไม่ได้ไม่ได้ยายอยากกินปลาทูจังเลยยายคงโมโหตะโกนดังนี่เรื่องมากที่มึงเนี่ยมึงไอ้พักกินก่อนแล้วมึงก็ใครฉันไม่ได้ยังไงมึงไอ้พักกินก่อนแล้วมึงใครฉันไม่ได้ยังไงตกลงใครกินใครฉันก็ไม่ไน่นเลยเออคุณยายโมโหหลานไปทําบุญแล้วโมโหได้ดีไหมไม่ดีเลยบางคนทําบุญในด่ากันไปด่ากันมาได้บุญไหม คนไปปฏิบัติทำอย่างดีกลับไปด่าสามีด่าภรรยาด่าลูกดา่าลานด่าปู่ด่ายา่าได้บุญไหมไม่ได้บุญต้องทําจิตใจให้เป็นกุศลด้วยบนศาลาเราได้อีกภาษาพระอ่ะคุณโยมเนี่ยใครเคยใส่บาตรบ้างยกมือเกินเนี่ถามเฉยนะต้องเคยใส่แล้วถามเป็ความรู้นิดนึงต้องถามทุกที่เลยพิสูจน์ความรู้เวลาเราใส่บาตราต้องถอดรองเท้าใส่บาตรพระไหมโอ้ทาไมใจร้ายจังเลยคุณยายถอดรองเท้าใส่บาตรพระได้เลยเ คนยายหลายคนไม่ถอดไม่ถอ ด, ถอดออรู้ทันครับต้องถอดไปข้างนอกใช่ไหมก่ อ, อนให้หลังให้ต้องมีความเต็มใจอาตมาเล่าบ่อยสามีภรรยาใส่บาตรนึกยังไงไม่รู้สามีถือข้าวอยู่ภรรยาถือกับข้าวพอจะใส่ข้าวปับสามีทักภรรย า, าให้น้องใส่จับข้าวก่อนไม่ได้หรอกคุณพี่ขาตามธรรมเนียมมันต้องใส่ข้าวก่อนเออไม่เป็นไรหรอกใส่จับข้าวก่อนก็ได้ไม่เปื้อนหรอกไม่ได้ต้องใส่ข้าวก่อนไม่ได้ใส่กับข้าวก่อนไม่เปื้อนหรอกในทุ่งไม่ไดมม้มันต้องใส่ข้าวก่อนเสียงไปเสีงมาผู้ชายรางวัลไอ้เมืองมากขนาดตัวไม่ไ่ อ้าวถ้มึงไม่ใส่กันปูกก็ไม่ใส่ยกกับข้าวกับข้าบ้านเฉยเลยทําไมไม่ตกลงกันให้เรียบร้อยกว่า น, นี้นมีพระรูปหนึ่งบวชใหม่ถ้าต่างจังหวัดเขาจะให้พรก่อนนะพี่โยมใช่ไหมกรุงเทพพระให้พรไหมเวลาบิณฑบาตก็เป็นบางรูปแต่โดยมากไม่ให้ไปให้ที่วัดเพราะรถลามันเยอะไปให้ที่วัดทีเดียวเลยแต่มีโยมคนนึงโอ้โหเป็นวัยรุ่นคนโยมไม่เคยใส่บาทรพระบวชได้แค่สามวันท่องอะไรจะไม่ได้เลยพอใส่บาทปรปักสามวันแน่แกก็ไม่ต้องให้พรไม่ให้ที่วัดไงก็อาศัยกันอื่นนะพระบางรูปเนี่ยส่วนในใจ มีเขานิมวลพระไปก้าวรูปโอ้โหในสิบรูปสิบรูปเป็นคนจีนโอ้โหภรรยาเสียชีวิตก้ารูปก็สวดเสียงดังมากนะโอกุศลาทำ ม, มากุศลาทำ ม, มารูปนี้เงียบสวดไม่ได้คิดพูดในใจโอ้โหคนจีนก็ถามตรงๆเนี่ยนี่น้องพ่อทําไมห้องพ่อไม่สวดมันเขาเนี่ยก้าวรูปก็สวดเลยเนี่ยน้วงพ่อไม่สวดเลยอะไรคุณโยมโก้ารูปนั่นนะเขาสวดให้คุณโยมฟังให้คนธรรมดาฟังอาตมาเนี่สวดในใจเพื่อให้ภรรยาของคุณโยมฟัง โอ้ถวายปัจจัยเยอะกว่าลูปอื่นอีกฉะนั้นหลวงพ่อหลวงพี่หลวงนาหลวงเนรที่ฟังอยู่ต่อไปนี้เราจะสวดในใจนะแน่จริงๆสวดไม่ได้นั่นแหละพาลูกนี้บวชมาสามวันให้พรไม่ได้คุณโยพอเขาใส่บาตรเสร็ จ, จกำลังจะเดินหนีเพราะปกติก็เดินหนีเดี๋ยวไปให้พรที่วัด น, นึกเงินลูกนั้นบอกเออหลวงพี่คะวันนี้เป็นวันเกิดลูกคะ่ะหลวงพี่ช่วยให้พรลูกหน่อยได้ไหมคะโอ้โหบวชมาสามวันท่องสัพพีท่องอะไรยังไม่ได้มองซ้ายไม่มีใครมองขวาไม่มีคนมองข้างหน้าไม่มีพาลูกอื่น อ๋อมันเกิดเลยตั้งใจรับพ่นะค่าค่าค่าแฮกปีเบอร์เดททูยูแฮกปีเบอร์เดททูยูแล้วก็เดินหนีไปเลยโยมคนนั้นทไมให้พรภาษาคดีคุ้นๆนะคะเนี่ยทำไมก็พูดบวชได้สามวันเองเลยพูดจะไม่ถูกเลยหรือบางคนชอบคุยกับพระเคยไหมคุณโยมเป็นห่วงพระมากบางคนประเคียนยึกยักกับพระนะอาหารเนี่ยบางคนการประเคียนเนี่ยผู้หญิงต้องวางที่ผ้าใช่ไหมผู้ชายวางมือต่อมือบางคนหวังดีกับพระกลัวพระไม่ได้รับการศึกษาจากอะไรไม่เป็นพอประเคีตั้บดึงคืน เหมือนล้อเล็กกับพานเลยอันพระจาับพระคุณโยมประเค้นใหม่ยังงงอีกนะอ่าประเค้นใหม่ก็จับของพระถอยไปพระเค้นแล้วต้องประเค้นเลยจะพระเราจับเองอบางคนเนี่ยประเคนยิยกยกยั ก, ยกไปมาเรื่องประเคนเนี่ยเจ้าจุกโอ้โหหลวงตาสอนเจ้าจุกประเคนทํำยังไงโอ้พอดีโยมเอาของมาถวายเป็นผู้หญิงด้วยเลยอ่าเจ้าจุกมาประเคนหลวงพ่อสิก็ประเคนเขาเอาแตงโมไปถวาย จุกก็งงเป็นเด็กวัดใหม่หลวงพอ่อครับปะเคีนปะเคนยังไงโอ้โหหลวงพ่อก็หิวหิวเลยงงยังไม่ได้บรรลุอรหรนะันต์นะฉวนๆเนี่ยปะเคนไม่รู้จักใช่ไหมมาเนี่ยไอ้จุกมาใกล้ๆดิจับแตงโมขึ้นมาเลยปะเคนก็ทํ่านี้ไอ้จุกฟาดศีรษะไวจุกปป้เลย แ, แตกแดงเลยนะถ้าแตงโมไี่แดงวันต่อมาณโยอโยงเขาเอาทุเรียนมาถวายหลวงพ่อเรียกเลยไอ้จุกเอ้ยพ่อหลวงพ่อยากกินทวเรียนละมาปะเคีนหลวงพ่อในโลกหลวงพ่อยากชานทุเรียนไอ้จุกจาได้วันนั้นโอจับทุเรียนลูกเบ้อเลย คุปส์เสร็จห่วหลงพ่อไม่ใช่หรอกนะอันนี้เขาแค่เซลล์เซลล์จริงๆแล้วไม่มีหรอกแต่ต้องสอนด้วยความระมัดระวังสอนลูกสอนหลานเราเวลาเข้าวัดก็ว่าต้องสอนให้ถูกยายพาหลานไปใส่บาตรพระเป็นสบการูปหลานก็ถามยายใส่บาตรใส่ยังไงไม่ยากลูกถ้าเกิดพระมาหลายลูกก็ใส่ไปเลยถ้าพระมารูปเดียวก็ใส่ไปเลยถ้าเกิดผ้ามาหลายรูปก็ใส่จากหัวไปหาหางพูดเสร็จนึกว่าหลานจะเข้าใจยายลืมของเดินไปเอของในบ้านหลานน่าเข้าอี่มาหนึ่งพระยืนด้วยความสำรวมอยู่ตักข้าวนอนเลย ใส่จะกหัวไปหาหางเลยตักข้าวใส่จักหัวไปหาหางใส่จักหัวไปหาหางใส่จะหัวไปหายาย่เดินออกมาตกใจตายรู้คำนั้นบาปเยอเลยจับได้ไม่กวาดกวาดข้าวจากหัวภาพมาเลยยายหนักยิ่งกว่าหลานอีกเช้าวันต่อมาฝนตกไปปล่อยบรรยากาศโรแมนติกหลานยายพู่เดิมใส่บาตเป็นแล้ววันนี้ไม่ใส่จะ๊กหัวไปหาหางแล้วยายก็ตักข้าวหลานก็ใส่กับข้าวฝนตกไปปล่อยมันมีหมาตัวหนึ่งชื่อเจ้าดำชอบไม่กินข้าวที่หกเหียเรื่อยๆพอยายตักข้าวไปข้าวหกไอ้ดำก็กินข้าว ไอ้ดำก็เดินชนพระบ้างเดินชนใหญ่บ้างน้ำก็เข้าตาบ้างเข้าบาดาบ้างสักพระหนึ่งใหญ่คนละขนาดตะโกนด่านี่คนตกจะออกมาหากินิีกพูดเสร็จพระหายหมดเลยคือพระยืนอยู่แล้วไม่รู้เรื่องหมาเนี่ไม่รู้เรื่องนะแต่พระยืนอยู่พอพระเดินผ่านไปก็เลยตื่นตระหนกลงนะต่อไปนี้ถ้าเกิดคนตกเราจะไม่ออกมาหากินอีกแล้วเออเจ้านั้นคนเราหรือบางคนเข้าวัดเข้าบาปีคนหนึ่งเดินไปแล้วเหยียบที่หมาเหยียบเหยบเหยียบเยบลวงตาแผลเยื่อไหมวัดปยุรวงศาวาส ฟ้องหลวงตาเดี๋ยหลวงตาขาในวัดหลวงตาทำไมขี้หมาเยอะจังเลยหลวงตาตอบว่าไงรู้ไหมขนาดขี้หมาไม่กี่กองโยมยังเดินหลบไม่ได้แล้วโยมจะไปเดินรู้จักหลบหลีกปัญหาในชีวิตได้ยังไงอู้หูฉะนั้นโยมเข้าวัดไหนแล้วมีขี้หมาเยอะขอให้รู้ไว้เราตักเอาไว้เพื่อสอนโยมถ้าขี้หมายังหลบไม่ได้จะไปหลบปัญหาในชีวิตได้ยังไงมันต้องหลบขี้หมาให้ได้ก่อนราการครับการใช้ชีวิตให้มีความสุขเป็นเรื่องยากไหครับ ไม่ยากเลยมันอยู่ที่ใจเราอถ้าใครที่ดูรายการอยู่ตอนนี้คิดว่าเรามีความสุขเราก็จะมีความสุขทันทีครับเหมือนคุณมันดิดเรื่องดังสีบอกไว้มนุษย์จะพัฒนาการไปตามอย่างที่ตนคิดคิดว่าเรามีความสุขเราดีเรามีประโยชน์มีคุณค่าชีวิตเราก็จะดีมีความสุขมีคุณค่าถ้าคิดว่าทำไม่ได้มีความทุกข์ไม่ด้เรื่องใดเราชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นมันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความคิดเราฉันมันมีความสุขกันตอนนี้ด้วยตอนดูรายการเรานี่ก็มีความสุขเลยเนี่ยพอจะดูพระดูอาจาร มีความสุขเป็นเรื่องง่ายมากโอ้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณผู้ชมหลายคนก็คงจะเริ่มเข้าใจชีวิตและเห็นความสุขของชีวิตกันแล้วแหะครับเพราะการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้เราไม่รู้ว่าลมหายใจเราจะไปหยุดลงที่วันใดและตอนไหนฉะนั้นทําชีวิตให้มีความสุขมีเป้าหมายแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปให้มันเต็มที่จะดีกว่าจริงไหมครับพูดถึงเรื่องความตายอาจารย์เชนกลัวความตายไหม เอ่อถ้าช่วงเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อโลกก็อยากตายเหมือนกันครับมไม่ค่อยกลัวครับแต่ช่วงที่ปกติดีก็มันก็ไม่ตายได้ก็ดีครับออืครับคนเราบางคนจะเบื่อชีวิตนะไม่ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าแต่พอถึงจะตายจริงๆคนเราจะหงแหนชีวิตกันทุกคนใช่ท่า น, นจริงๆแล้วบอกความตายเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกก้าวเท้าของเราวันคืนที่ผ่านไปเราจะใกล้สู่ความตายไปเรื่อยๆแต่ว่า ความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอครับจะเจอเร็วเจอชา้าเจอตอนเด็กตอนหนุ่มตอนสาวตอนแก่ <ừ> ชา้าหรือเร็วเท่านั้นเองใช่ครับฉันขอให้เราหมั่นทําความดีเอาไว้มีความสุขเอาไว้ทําแต่สิ่งดีมีประโยชน์เพื่อบินบุญเป็นส่วนให้กับตัวเองอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่ามากๆครับผมเกี่ยวกับเรื่องความตายพระอาจารย์ก็ได้บรรยายไว้ด้วยนะครับผมว่าช่วงนี้เราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับสมมุติเราไปงานศพแม่บางคนแม่พูดงานศพแล้วแมหนักใจกลุ้มใจจริงๆน่ากลัวไหมงานศพ บัดอาตมาวัดสรยทองเมนสวยมากไวรุ่นทุกวันนี้ไปยืนก่ขอคอกันโอ้ยเมนสวยหน้าตายจังเลยเมนลอยฟ้าเลยความตายน่ากลัวไหมคุณโยมไม่น่ากลัวเลยคนเรามีสี่วัยใช่ไหมสี่ต่อตอกแตกเต่งตึงตรงเต่งแล้วก็ ต, ต้องดายบางคนเกิดมาคุณโยมคุณโยมอยู่ตรงนี้โชคดีไหมโชคดีนะเราได้อยู่ถึงวัยสุดท้ายเลยถ้าเป็นต้นไม้คุณโยมนึกภาพต้นไม้นะต้นไม้มีใบอะไรบ้างคุณโยมเขียวอ่อน เขียวแก่อเอาช่วยกันตอบใบใบเหลืองแล้วก็กใบแดงเกี่ยวอะไรกับใบแดงนะครับใบเหลืองนี่ใบแดงก็เกิดจากจังหวะที่เขาหลุดไปแล้วไม่รู้ทำไงก็เลยต้องเสียบกรรมการต้องให้ใบแดงเป็นใบเหี่ยวใบแห้งพยนตรเด็กบางคนเกิดมาเป็นใบเขียวอ่อนไม่มีโอกาสไปเป็นใบเขียวแก่บางทีเกิดมาปับโชคหลายพ่อแม่โยนทิง้งเอาไปทิ้งน้ำบ้างเอาไปทิ้งอะไรที่เราได้เห็นหบ่อยๆหลายปีก่อนน้องยูโรเห็นไหมน้องยูโรเหมือนฟุตบอลอ่ะเกิดมาช่วงฟุตบอลโลกพอดีฟุตบอลยูโรพอดี แม่โยนออกน้องหน้าต่างตายจริงๆคงไม่ได้โยนออกฟังชื่อก็รู้น้องยูโรแม่ ต, ตีออกน้องหน้าต่างไปโน่นเลยเป็นฟุตบอลไปเลยไม่มีโอกาสมาเป็นใบเขียวแก่วัยรุ่นบางคนเป็นใบเขียวแก่เหมือนเสียงมอเตอร์ไซค์มีสองแบบก็โยนมอเตอร์ไซค์เคยฟั ง, งั้มมีเสียงสองแบบบุญกับบาปมอเตอร์ไซค์เสียงบุญดังยังไงสตาร์เลยเออบุญบุญบุญบุญเลยพอไปเหมือนขับรถไปทำบุญไงเอาข้าวไปถวายพระบุญไปจอดจอดรถพอดับเรื่องกุศลเนี่ยเห็นไหมบุญเพื่อไปกุศลเลยมอเตอร์ไซค์เสียงบาปดังยังไง สตาร์กไปติดละพอตะกึงนะถามหาแล้ะพอตะกึงพอสตาร์ตติดก็ตายตายตายเลยมันขับรถไปหาที่ตายต้นไม้ต้นนี้ที่ไม่ตายตาเสาไฟฟ้าต้นนี้ที่ไม่ตายตายไปติดสัญญาณไฟแดงข้างรถ10บล้อแทนที่จะกลัวเขามองหน้าเขาไปเบิ่งแล้วอีกตายตายตายตาย10บล้อมันใส่บีบลูกกระเจใส่เดี๋ยวเธอมึงนี่ก็ตายตายเดี๋ยวเธอมึงตายตายเดี๋ยวเธอมึงไปกองกระได้ทองรถสิบล้อมึงไม่มีโอกาสไปเป็นใบเหลืองคนยมบางคนเป็นใบเหลืองทําการทํางาน ผิดวังอกหักเสียใจทํางานไม่ประสบความสําเร็จค่าตัวตายจําเป็นไหมชีวิตต้องค่าตัวตายจะเป็นไหมไม่จําเป็นเลยสี่อย่างโลกนี้ยากมากการเกิดขึ้นของพระเจ้าก็เป็นเรื่องยากการได้ฟังธรรมะของพระเจ้าของพระอาหารหันต์ก็เป็นเรื่องยากการเกิดขึ้นของพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนในหลวงของเราก็เป็นเรื่องยากและสุดท้ายข้อที่สี่การได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเรื่องยากฉนันว่าคุณยายมาถึงวัยเป็นใบไม้แห้งเราโชคดีมากเด็กทุกวันนี้ใบเขียวอ่อนไปแล้วใบเขียวแก่ไปแล้ว ใบเหลือมเข้าไปแะเรามาถึงตรงนี้เรามีความสุขไหมน่าภูมิใจจะตายมันโยมยิ่งเรามาอยู่รวมกันเงี้ยคนวัยเดียวกันเราจะคุยกันรู้เรื่องตอนนี้เราไม่ได้อยู่บ้านเราอยู่บ้านบางแฉใช่ไหมอัตมาได้อยู่บ้านไหมไม่ได้อยู่บ้านมีก็ไม่ได้อยู่เหมือนกันไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องก็มาอยู่กับพระด้วยกันน่าเราอยู่กันแล้วก็คุยกันเรื่องเดียวกันแล้วก็เมากันไปพระเราก็เมาเรื่องพระไปโยมก็เมาเรื่องโยมนักศึกษาเมาเรื่องนักศึกษามีความสุขกันโยมฉันขอให้คุณโยมมมีควาสุข เวลาเราอยู่ไหนเราก็มีความสุขเช่นนั้นเลย น, นี่คือเรื่องของพระนะเมื่อกี้จะมาพูดถึงเรื่องเมรุเอาไว้ตอนนี้วัดต้องมาแข่งกับห้างแนละ้วทุกวันนี้อะไรก็อยู่ที่ห้างมีช่วงหนึ่งจะมีข่าวเอาพระมาไว้ที่ห้างถ้าเอาไวด้ดีๆก็อโอเคนะเคยไปบรรยายในห้างแฟรที่แลนด์บนชั้นดาดฟ้าเอออันนี้ดีคือเขาเป็นชั้นปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะไม่ใช่เอาพระมาปนกับอะไรเสื้อผ้าอะไรก็ไม่ได้นะตอนนี้อะไรก็อยู่ที่ห้างต่อไปเขาเดาว่า ง, งานศพอาจจะไปจัดที่ห้าง อาจจะมีได้ดูไหมสับเปลยให้โซสวัสดีครับผมสับลือกไฮโซครับขอเชิญเจ้าภาพและแขกผู้มาร่วมงานขึ้นมาในเลื่อนทางด้านซ้ายวางดอกไม้จันทรแล้วลงมาในเลื่อนทางด้านขวา อ, อย่างี้อย่าลืมรับของที่ระลึกด้วยวางงานแต่งบางคนเขาโยนช่อดอกไม้ใช่ไหมเจ้าสาวโยนห้อดราไม้จ๊บไขรลับได้ปับ๊บมีแววเป็นเจ้าสาวคนต่อไปต่อไปเราอาจจะมีประยุกต์มาใช้บ้างงานศพเราให้เจ้าภาพโยนให้เจ้าภาพ พ, พอนะให้คนตายประโยชน์นี้อันตราย ให้เจ้าภาพมาโยนช่อดอกไม้จันทร์ทำใหญ่ๆพิเศษหน่อยโยนตีต้วไครลับใกล้ปั๊บเป็นศพลายต่อไปเอออาจจะมีให้รุ้นน่ะเตรียมตัวได้แล้วอะไรประมาณนะี้จะได้มีความสุขไม่ต้องไปกลัวความตายความตายน่ากลัวไหมคุณโยมไม่น่ากลัวพระพุทธเจ้าถามอนนท์ถามท่านพระอนนท์อนนท์วันหนึ่งเธอระลึกถึงความตายกี่ครั้งร้อยครั้งพระเจ้าค่ะน้อยไปอนนท์พันครั้งพระเจ้าค่ะน้อยไปอนนท์หมื่นครั้งพระเจ้าค่ะน้อยไปอนนท์เธอต้องระลึกถึงความตายทุก ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกทูบหนึ่งดอกที่เราไปเวลาไปไหว้คนตายพุนยมหมายถึงว่าอวัสังมายามริตพังเราเองก็ตายแน่แท้แต่พอคิดอย่างนี้ต้องกลัวไหมต้องกิตใจเศร้าหมองไหมไม่จําเป็นถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตายแน่แท้ถ้าเป็นนักเรียนตั้งใจเรียนได้อย่างถ้าทํางานที่ไหนก็แล้วแต่ตั้งใจทํางานได้อย่างมีความสุขทุกๆวันทุกๆวินาทีเพราะเราผ่านมา 20, 30, 30 ย, มยี่สบสาสิบปีพุนยมอายุเท่าไหร่พุนยมยีสิบเท่าไหร่ ยี่สิบห้าใช่ไหมคุณโยมผ่านมายี่บ้าอัตมาดูไปยี่สิห้านะโยมนะเราต้องคิดว่าเราหนุ่มและสาวอยู่เสมอเพราะคนสมัยก่อนอายุสองสามรอยปีใช่ไหมสมัยพุทธเจ้าเนี่ยอายุเยอะนะคนร้อยกว่าปีสอง้อยปีเยอะงั้นทุกวันนี้ถ้าเราเทียบอายุก่อนเรายังเพิ่งเป็นหนุ่มเป็นสาวนะเพิ่งยี่สิบห้าก็แล้วกันเราผ่านมาห้าสิบปีหกสิบปีเรารู้แต่เราเหลืออีกเท่าไหร่เรารู้ไหมไม่รู้อัตมาผ่านมายี่สิแปดปีบางคนดูหน้าเหมือนห้าสิบแล้วเหลืออีกเท่าไหร่เราไม่รู้ จะเหลืออีกห้าสิบปียี่สิปีสามสิบปีเราไม่รู้ฉะนั้นวันนี้เรามาทําชีวิตให้ดีที่สุดมีความสุขทุกๆวันแล้วคุณโยมตอนนี้คุณโยมมีความสุขไหมไหนลองตะโกนว่ามีความสุขดังๆทุกท่านเลยนะหนึสองสามมีความสุขทำไมหน้าตากับเสียงไป็นประดางเลยอาตมาบังคับโยมใช่ไหมเนี่ยจะบาปไหมเนี่ยนะตามใจพระเลยนะมีความสุขหนึงสองสามีความสุขผมังไม่ดังพอหนึ่งสองสามมีความสุขเราต้องมีความสุข อย่าเก็บความสุขไว้คนเดียวอ่ะทุกคนหันหน้าหากันอัตมาห้าวินาทีถ้าเกิดนับหนึ่งถึงห้าใครไม่มีคู่อาตมาจะให้ขึ้นมาบนเวทีเลยจับคู่ให้ได้เอามือจับกันไหมเลยนะห้าจับคู่กันนะหันหน้าหากันด้วยไม่ต้องลุกนะดีจเจาะมือกันเป็นฝรั่งเลยสามสอคนล็อกคอเพื่อนแทกเลยอย่าไปไหนนะเดี๋ยวต้องขึ้นเวทีหนึ่งอ่าใครไม่มีคู่เดี๋ยวเรามีทีมงานมานี่เลยเป็นคู่เลยห้ามให้คุณย่าคุณยายเงาเด็ดขาด ห, หนหาหากันคุณโยมคุยเรื่องมีความสุขให้กันฟังชีวิตที่ผ่านมาเรามาถึงไวัยนี้ได้เรามีความสุขหน้าอิจฉาอาตมายังไม่แน่เลยนะดิมิตีอาตมาเดินไปเนี่ยสะดุดขาตัวเองเหยียบชายจีวอนล้มลงหัวฟาดพื้นตายถ้าอาตมามรณภาพไปตายไปคุณโยมจะไปร่วมงานศพอาตมาได้ไหมพระมหาสมปองมรณภาพไปไปร่วมงานศพได้ไหมถ้าทุกท่านไปอาตมาจะยืนต้อนรับที่หน้างานเลยนะเอ้งานแต่งเขาเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ยืนต้อนรับหน้างาน วันเกิดเขาก็มีเจ้าของมาเกิดตอนรับเอา้างานศพก็ต้องมีศพมาเยือนตอนรับบ้างน่าอาตมาอาเชิญเลยเชิญเลยแล้วของเลือกด้วยอาหารหน้าหากันเริ่มเลยนะคุยเรื่องมีความสุขอย่างเดียวห้ามมีความทุกข์นะหนึ่สองสาคุยเรื่องมีความสุขเลยคุณโยมเออแล้วมีความสุขยังไงบ้างคุยคุยคุยคุยคุยเรื่องมีความสุขนะ ไปเรื่อยเพิ่งสิบวิถึงสิบวิอ่ะคุยอีกมีความสุขเยอะๆปีดหมดเวลาหันหน้ากลับมานะในชีวิต ท, ที่ผ่านมาการทํางานการใช้ชีวิตมีเรื่องหน้าเบืออ่อนายไม่พึงยอมนายลองตกกะโกนว่าเบื่อด็กๆที่นหนึ่งสองสามเบือ่อโอ้อันนี้ได้อารมณ์มากได้อารมณ์มากเหมือนออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริงเหมือนตอนนี้เลยใช่ไหม ทำามนึกสองตั้มอีกครั้งนึกหรึ่งสองตั้มอย่าไปเก็บความเบือไว้คนเดียวแบ่งความเบือให้คนอื่นด้วยในชีวิตเราเคยชื่นชมคนอื่นไหมคุณโยมหันหน้าหากันชื่นชมกันแล้วกันคุณสวยมากคุณหล่อมากคุณมารยาทดีมีสัมมาคารวะมีน้ำใจจิตใจงามพูดแต่เรื่องดีๆชื่นชมกันอย่าไปว่ากันอนึ่งสองตั้มชื่นชมกันคุณโยมชื่น ช, น, ชนชมกันนะ เห็นบางคนน่ารักจังเลยชมตัวเองอปิใจหมดเวลาหันหน้ากลับมาเอาเสียงปมมือให้ตัวเองดังๆหน่อยน่ารักนะคุณโยมเนี่ยให้ทําอะไรก็ทําดูสิแสดงว่าคุณโยมเนี่ยไม่มีทิฐินะถึงอาตมาจะยังไม่ใช่พาร์ตี่อายุมากไม่แต่คุณโยมสั่งให้ทําอะไรทําแสดงว่าเราจะมีความสุขง่ายเราต้องคิดเหมือนเด็กทําเหมือนผู้ใหญ่คุณโยมเด็กเขาจะมีความสุขง่ายใช่ไหม ไม้อันเดียวเนี่ยเด็กมีความสุขได้ไหมมีความสุขได้เอาไปเคลียเคลียเคลียเคลียเคลียรเคลียดินก็มีความสุขบางทีเอาไปจิ้มพ่อเออเออเออเอ้มันจิ้มพ่อทำไมเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ดา่าปั๊บ เ, เด็กก็ไม่สนใจไปจิ้มแม่ต่อนี่นี่นี่แม่ก็ด่าๆ่เด็กก็ไปจิ้มอุม่ ส, ส, ส่งอุ่นฉีต่ออะไรเงี้ยก็ ม, มีความสุขของเขาได้เด็กเนี่ยทําไมคนเราเกิดมาความรู้มากมายเยอะแยะเราผ่านชีวิตมาเยอะเรากลับเป็นคนที่สุขยากแล้วทุกง่ายอาจาร ย, าย์ขยอมบอกไว้เราต้องเป็นคนที่สุขง่าย แล้วก็ทุกยาแล้วชีวิตเราจะน่าอิจฉาคุณยมผู้ฟังบรรยายของพระอาจารย์วันนี้รู้สึกจะสูงอายุเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เรีนก่าผู้สูงอายุในเวลาเราดูท่านแล้วดูแล้วมีความสุขดีครับเวลาท่านยิ้มท่านหัวเราะแบบมีฟันบ้างไม่มีฟันบ้างเนี่ยผมว่าน่านรักนะ <c oughs> อาจจะฟันหนีไปเที่ยวหมดเนจะ็ดสิ80ิแล้ว <c oughs> ใช่ครับที่จริงคนแก่น่ารั ก, น, รกน่ารักมีเยอะนะท<ม>ุกทาแคบทุกท่านนะน่ารักมีความน่ารักขอ ง, ของท่านอยู<ม>่แต่บางคนอาจะที่แบามีแต่คนแก่เน จูจี้ขี้บนหน้าเบื่ออะไรเงี้ยจริงๆอ่ะสำหว่าคนแก่เขามีความน่ารักรนอกจากตะเอกยาตาลพ่อกับแม่ธรรมะแล้วเนี่ยธรรมะคนแก่ทั่วประเทศอ่ะทุกตัวโลกเลยท่าน<อ>มีความน่ารักพระเนี่ถ้าเกิดคุยคนแก่เนี่ยไม่อยากราสิขาเลยน ะ, ะให้กําลังใจให้คําแนะนำํำฟังแล้วไม่อยากเปไหนเลยผมเองก็เป็นคนชอบคนแก่ครับท่าน เ, าเพราะว่าผมเนี่ย เป็นคนแพ้คนแก่ที่บ้านนี้ก็แก่เคแก่ก่อนนั้นมีแก่กว่านี้ครับคุณยายฮะอ๋อยายนี่แม่ของแม่ผมมีแม่อยู่ประมาณคนหนึ่งนะครับและแม่ของแม่ก็เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าไม่ทันกันครับท่านผมเริ่มโตนี่ยายก็เริ่มตายไม่ทันกันพอเราเริ่มโตยายเริ่มตายสวนทางกันเลยก็เลยไม่ทันยายแต่ว่าเห็นคนอื่นก็เหมือนคนแก่ก็เหมือนยายเรายึ่งมีความรู้สึกดีๆกับคนแก่มากครับท่านอาตมามีเรื่องคนแก่น่ารักน่ารักตัวหนึ่งเล่าไห้ฟังแต่ไม่ใช่ยศการแม่อาตมานะะ เป็นคนแก่คนหนึ่งที่แกก้มเงิเงิ น, งนอยู่ตรงเสาไฟฟ้าสว่างสว่างครับแล้วก็ก้มเงิๆเงินไปมารักพักหนึ่งวัยร่นคนหนึ่งเมากลับมาเดินเมากลับมานะคนเมาก็น่ารักนะแต่ไม่รับนะก็เมากลับมากันยายหาลายยายอ๋อยายกำลังหาเข็มนี่ลูกเดี๋ยวผมช่วยหาครับยายใจถึงจะเมาก็ตามโก้มเงินก็เงินหาช่วยคุณยายครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ไม่เจออ้าวไปอีกเป็นชั่วโมงไม่เจอเหนื่อยเงยอออกแล้ถามจริงๆเลยยายยายทำเข็มหายทีไหนเนี่ยหาไงก็ไม่เจอ พ่อยายทําเข็มหายในบ้านลูกเอา้ายายทำเข็มหายในบ้านทำไมไม่หาในบ้านโอ้พอดีในบ้านอะไฟมันดับมันมืดได <c oughs> ้เลยหาไม่เจอก็เลยมาหาตรงเสาไฟฟ้ามันสว่างดีโอ้ยายในบ้านหรือเปล่าเนีเ่ยเข็มหายในบ้านก็หาในบ้านแต่ยายมาหาที่นี่ทําไมเนี<อ>่ยยายก็โอ้แต่แต่ยายงงอย่งลูกเลยแล้วแกไปไหนมานไปเที่ยวไหมยายทำไมไปเที่ยวโอ้พอดีไม่สบายใจใหญ่ไม่บายใจเอแล้วแกไปไปเที่ยวไปทํำไรก็ไปดื่มเหล้าไปดูนั่นดูนี่ร้องเพลงไม่สบายใจ ไปดื่มเหล้าไปร้องเพลงมันจะหายไหมก็น่าจะต้องดูแลที่ใจคุณยายก็สอนมาทั้งงายเลยไปด้วยอาจารย์มีเรื่องอะไเรื่องคนแก่นะครับคือผมเองเนี่ยชอบคนแก่ครับอือย่างที่บอกท่านนไปนะครับเดินก่อนเวลาเจอคนแก่เนี่ยถ้าขายของผมมันจะซื้ออืโดยไม่ต้องสนใจว่ามีอะไรคืออยากช่วยเขาไปจะพวงมาลัยจะอะไรก็แล้วแต่ใช่ใช่ เคยไปที่ร้านที่หนึ่งแถวแถวประตูน้ำพระอินทร์เจริญพรทานข้าวอยู่ปราคนแก่เดินขายของครับตอนวันนั้นแก่มาแต่ไกลเลยครับโแก่ได้ที่เลยอ่ะผมขาวทั้งหัวเลยนุ่งโจกเบนใส่สียเดียวขนาดนั้นวากระช้ากระเช้าใช่แล้วก็ก้าวขนมคลองแขนมาเดินมาถึงปั๊บถุงกระซื้อเลยยายครับขายอะไรครับถัวตากตัวทอดค่ะถุงเท่าไหร่ครับยายถุงให่สิบค่ะมาสี่ถุงเลยครับแก่ก็นั่งตัวตัดส่วนทอดใส่ถุงผมก็พักแบงค์ร้อยมารอ ถึงแค่มาณจ็ดสิแต่สติปัญญาใช้ได้ครับท่านอย่างไรอ่าพอแกเงียบไม่เห็นแบงค์ร้อยแกพูดเลยเขาเอาไป5้าถุงไม่ดีหรอเขาจะได้ไม่ต้องท้องอย่างนี้เลยครับเห็นแบงค์ร้อยพิปิดพาบทันทีผมก็ให้ไปเลยคือเราแพ้ไงฮะเพราะว่าผมไม่ได้ซื้ อ, อนี้ตลอดอัจเดกอุ่นหนุนถุงถพิการต้องเช็ดก่อนพิการจริงว่าเอาแขนไปซ่อนให้เราไม่งงถ้าคนท้องเดินมาถามนะนเดินมาขายนีย่ต้องคุยกันก่อนไม่ทําอะไรไม่ถึงท้องต้องคุยสัมภาษณ์กันยาวแต่คนแก่เลี้ยวไส้ผ่านตลอดอ๋อครับแต่ว่าเป็นนางสาวไทยไม่ได้นี่ทําไมครับนงไทยต เด <Day. S 1> oh. อกรักเป็นเจไล่อะไรรักคนแก่รักคนแก่ต้องเป็นเป็นอะไรดีน ค, คนแก่ก็ก็ต้องอยู่สมาคมคนชราครับโมเดเกครับคนสูงอายุนั้นหลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าทําอะไรก็เชื่องช้าพูดจาก็ไม่ชัดเจนแถมฟังไม่เคยรู้เรื่องต่างหากเพราะเพราะว่าทุกอย่างหย่อนหมดตึงกันเลหูเนี่ยนะครับ <c oughs> แต่จริงๆแล้วถ้าเราได้สนทนาหรือพูดคุยกับท่านเนี่ยคนแก่มีประสบการณ์นะครับเพราะเคยหนุ่มเคยสาวมาก่อน ถ้พวกหนุ่มสาวดีครับยังไม่เคยแก่ฉะนั้นคนแก่ก็ผ่านมาหมดแล้วถ้าเราได้จับประโยชน์ตรงนี้ผมเชื่อเป็นประโยชน์มากไม่เชื่อลองชมครับทําไมคนเราเกิดมาความรู้มากมายเยอะแยะเราผ่านชีวิตมาเยอะเรากลับเป็นคนที่สุขยากแล้วทุกง่ายอาจารย์ขยอมบอกไว้เราต้องเป็นคนที่สุขง่ายแล้วก็ทุกยากแล้วชีวิตเราจะน่าอิจฉาคุณโยมเรามีตามองเ ห, เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้บางทีเห็นหน้าตมาไม่ชอบใจก็ยังดีมีตาให้มองเห็น ทำงานโอ้โหเมื่อยเหลือเกินดีใจมีงานให้ทําหลายคนเขาไม่มีงานให้ทําเดินไปเมื่อยขาเหลือเกินโอ้ยใช้งานเราหนักเหลือเกินทําไมเราเป็นเด็กใหม่น้องใหม่ทําไมใช้งานเราหนักดีใจมีขาให้เมื่อยหลายคนไม่มีขาให้เมื่อยหลายคนไม่มีตาให้มองเห็นฉันเราตามองเห็นไหมตอนนี้มือยังใช้การได้ไหมยังนอนหลับได้ไหมยังขับถ่ายได้ไหมยังทานได้ไหมทานได้หลับได้ขับถ่ายได้ชีวิตมีความสุขแล้ว ถ้าเรามาถึงวัยเนี้ยเราเป็นวัยที่น่าอิจฉาเป็นวัยที่สุดยอดเลยเพราะถือว่าเราเนี่ยมาถึงวัยนี้ได้ลูกๆนานๆเราเด็กรุ่นใหม่ในบางทีไม่ถึงวัยนี้ฉันขอให้เรามีความสุขภูมิใจแม่อาตมาโทรมาอาตมานะบอกให้หมอตรวจว่าเป็นมะเร็งทุกใจเข้าใจเช็คอายุแม่แม่อายุเท่าไหร่เป็นลูกที่รักแม่มากเป็นว่าแม่อายุเท่าไหร่ <c oughs> พูดถึงแม่เท่าไหร่นะอาตมาคนมักจะขำยายตาลเนี่ยตาละอุดโตฉายาแปลว่าลูกของใายตาล <c oughs> ตอนเล็กๆพ่อมาสมปองตอนนั้นยังไม่บวชไปป้องไปเรียกป้าชิ่กแกชื่อป้าไทยเป็นเพื่อนแม่ไปเรียกป้าไทยให้แม่แกหน่อยแม่แกขาขาดโอ้โหเป็นลูกตกใจอยู่พหกตกใจเลยแม่เราขาขาดวิ่งไปหาป้าไทยป้าไทยพาแม่ไปโรงพยาบาหน่อยแม่ขาขาดวิ่งไปปั๊บเห็นแม่นั่งอยู่สามคนกับเพื่อนขาก็ปกติดีอ้าวแม่ไหนบอกพ่อบอกไม่ขาขาดพ็นี่ไงขาขาดมีอยู่สามคนเนี่ยขาทีหนึ่งขาเนี่ยโอ้จะนั่งเล่นไพ่กันดูอย่าจานแกสมัยก่อนหวยเตือนก็ขายหวยเตือนอย่าดานี่ พ่อจอร์แ ด, ดนเนี่ยช่วงนี้เจ็บขาแม่เนี่ยเจ็บขาเดินไปเจ็บขาพอดีเขามีตะโก้แม่บ้านแข่งกับราชการแล้วแม่อตมาเนี่ยเป็นตัวฟาดพอดีตัวชงชงผมไปหน่อยแกต้องวิ่งไปสองเก้าเพื่อมาฟาดคือเวลาพูดถึงพ่อกับแม่จะเป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นขอให้เราได้ธรรมะตรงนั้นบางทีทําไมพระเวลาสวดศพต้องมีสี่รูปคุญจงก็งเป็นคู่เพราะอะไรรู้ไหมเขามีหลักที่อยู่คู่นี้ที้หมายถึงว่าขอพายนะงานมงคลเนี่ยเขาเป็นจํานวนที่สามห้าเจ็ด สามูกห้าลูกเจ็ดลูกเก้าลูกก็ได้คู่นี้หมายถึงงานอาวบมงคลงานศกงานทําบุญอะไรที่เป็นเขาให้เป็นจํานวนคู่สิบลูปถ้าส่วนหน้าไปกี่รูปสี่ลูปมีหลักการหนไปไม่กลับลับไม่ตื่นขึ้นไม่มีหนีไม่พ้นถ้าเกิดว่าส่วนศพปัจจุบัก็บางทีสิบลูปบางคนไม่รู้เรื่องลุล่าเป็นธรรมเนียมเลยไม่รู้บางทีภรรยาตายสามีเสียใจร้องไห้เลยเดินไปเคาะลงซึ่งคําพูดของคุณโยมบางครั้งทําให้พระหวั่นไหวมากบางทีไปถึงปาดเคาะลงเลยแม่มาเงย รีบเลุกข้างาฟังพระสวดเนี่ยโอ้ยจะเกิดแก่ขึ้นมาทำไมเนี่ยพระบางโลกพยมบอกอ้าวลุกลุกลิบลิบลุกมาฟังพระสวดเร้วพระมองหน้าหาเรื่องหาเรื่องให้พระอีกแล้วเพราะจะเกิดแก่ลุกขึ้นมาจริงๆพระก็ไม่อยู่เหมือนกันนะเพราะเขาบอกว่าพระมาผีไม่มีแต่ถ้าเกิดผีมาพระก็ไม่อยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดวันนี้ผีมาพยมจะกลัวไหมโอ้ยอยู่กับพระเรามีสุขร่วมสุขมีทุกข์ร่วมทุกข์นะเราจะไม่ทอดทิ้งกัน ถ้าเกิดปัญยมมีตามอาตมาทานันที่สําคัญอย่าลืมเก็บรองเท้าแห่อาตม า, าด้วยฉะนั้นแล้วอย่าไปเคาะลงน้าพระหวันวน่นไหวบ้าเลยนะฉะนั้นเราต้องเป็นคู่ไงเผือ ม, มีอะไรเกิด ข, ขึ้นเราจะได้มีเพื่อนได้อันนี้เป็นแค่สมมุติเฉยๆนั่งชีวิตของคนเราฉะนั้นไม่ต้องกลัวปุญโยมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเคยมีปัญหาในชีวิตไหมปัญหาเนี่ยโลกนี้มีไว้เหยียบปัญยมนักเขียนท่านหนึ่งบอกไว้โลกนี่มีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้แบกบางคนเจอปัญหาปักอกคิดว่าตัวเองแบกโลกเอาไว้ ปัญหาตัวเองใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดจักรวาลถ้าเรามีปัญหาก็โยมออกไปอยู่นอกโลกนึกภาพนะเราไปอยู่ระบบจักรวาลมองไปยังโลกนี้โลกนี้เล็กนิดเดียวเท่ากับปั้นสิ่งที่อยู่ในโลกเล็กเราเป็นมนุษย์ก็เป็เล็กๆเท่ากับผงธูดีปัญหาของเราก็เล็กเท่ากับผงธูดีเลยปัญหาเราเล็กๆน้อยๆอย่าไปที่เรามีปัญหาหนักปัญหาใหญ่เท่านี้ชีวิตเราก็มีความสุขแล้วก็โยมหลังจากที่ได้ฟังธรรมะ delivery ในวันนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะ รู้ว่าความสุขคืออะไรและหาวิธีในการสร้างความสุขกับตนเองได้มากทีเดียวครับขอกราบนัศการถามราจารย์ครับอย่าใช้ท่านได้กรุณาช่วยอวยพรปีใหม่แล้วให้ทำม้กับผู้ชมทางบ้านในในโอกาสวันปีใหม่ไท ย, ยนี้ด้วยครับอ า, าจะรับพรจะให้อวยพรก็ต้องพนมนมือแล้วการที่ดูอยู่ก็พนมมืออาตมาภาพก็ขอนื้อวยพรให้ปีใหม่ไทยปีนี้เป็นปีใหม่ที่มีความสุขสงการานต์นี้ต้องมีแต่ความสุขการสุขการ ส, ส, สบา ย, บายใจ คิดวังที่หนึ่งประการในที่เป็นไปโดยชอบประกอบธรทำก็ขอให้ประสบความสําเร็จที่สําคัญอัปมาโทอมตังประทางประมาโทมัจจุโนประทางความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายพ่อแม่รอราอยู่ภรรยาสามีลูกรอเราอยู่ไปมอบความสุขไปมีความสุขที่บ้านเมาแล้วอย่าขับอย่าประมาทอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความรุนแรงขอให้ไปด้วยความระมัดระวังเพื่อไปมีความสุขและมอบความสุขให้กับคนอื่นขอเจริญพร สาธุนักศึกษาขอบพระคุณครับทนนุวิกเกครับถ้าอยากจะฟังธรรมะเดลิเวอรี่ใหม่นะครับอยากจะเก็บไปดูและหลายรอบหรืออยากจะมอบให้คนที่ท่านรักสามารถหาซื้อ VCD ได้นะครับธรรมะเดลิเวอรี่ที่บรรยายโดยพระอาจารย์สมภพตาลปูโตนะครับได้ที่ซีเอบุ๊กนะครับหรือ B2S หรือแม้นแต่อิเมอรนช่นทุกสาขาก็มีจําหน่ายนะครับหรือจะสั่งโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับ รายได้หลังจากหักค่าใช้ จ, จ่ายแล้วเนี่ยเราจะนําไปมอบให้วัดพระบาทคำภูครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคเอชซึ่งน่าสงสารมากทีเดียวครับไม่มีใครอยากเป็นเราเราช่วยเขาได้ครับในวิธีต่างๆกันวันนี้นะครับต้องกราบนายกสถานขอบพระคุณพระเจ้าสมปองนะครับที่กรุณามามอบทําไม้กับพวกเราในวันหยุดสงกรานต์วันนี้พบกับธรรมะจินรีบรีได้ใหม่นะครับซึ่งมีสโลแกนวอะไรครับท่านสนุกถึงที่ซึ้งถึงใจพบกันได้ใหม่นะครับวันนี้ กระผมและพระอาจารย์สปองต้องกราบคลาไปก่อนครับสวัสดีครับจเจริญพรสร้างอายุมากนั้นท่านเทของขั้นไปอย่างแบบสมัยเก่านะคะนี่ท่านประยุกต์ใหม่แบบใหม่ดีฟังแล้วไม่ไม่ไม่เมื่อยหน่ายรู้สึกประทับใจมากแตรมาออาจารย์ประทับใจดีทุกตอนะค เราก็จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการฟังธรรมะแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยมาเล่าฝู่กันฟังเพื่อว่าการเล่าเนี่ยพอเพื่อนผูกลิม้มเราก็จะมีความสุขไปด้วยก็ธรรมะนี่นะคะมันเหมือนให้เรามีความรู้สึกว่าเขาจะเตือนเราอยู่เรื่อยให้ทําแต่ความดีนะคะบางเวลาเราก็อาจจะพั้งพลาดไปในเมื่อได้ฟังบ่อยๆก็จะทําให้จิตใจเราดีขึ้นเข้าใจธูรมะดีขึ้น ทำให้ตัวเราให้ดีขึ้นอันไหนไม่ดีแล้วต้องนึกเราต้องคิดถึงตัวเองเสมอว่าเราทําดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ฟังบ่อยๆจะดีธรรมะนะฟังแล้วก็ไม่ค่อยเตือนให้เราอย่าลืมบางครั้งเราก็อดอะเผลอขาดสติเผลอไปอะไรเราได้มีธรรมะอยู่เรื่อยก็ีพอฟังนี่ก็ดีใจได้เจอพระท่าน